เป็นบ้านมีมีอะไรที่เราเห็นเกิดขึ้นในกายใจของเราเองมา <Wow. S 1> กินมานี้วกินอย่างความง่วงก็แล้วก็เป็นอาการหนึ่งของความเบื่อดล้วย็แล้ก็เหนื่อซึม ชอบชอบมันก là ็จะไม่น่วงนะมันไม่เลือนะเนี่ยทำอะไรที่เรารูตื่นชอบมันตก็ไม่เลือพอไม่เลื่อมันก็จะไม่ง่วงบางทีอย่างเช่นอ่ะบางคนชอบดูหนังทวนหนัาตลกสนุกสนุกดึกขนาดไหนก็คือได้ใช่ไหมมันก็อื่นอันเป็นไม่ใช่เรื่องของร่างกายรุ่นรุนหรือไม่ใช่เรื่องของเวลาอา มันคืออะไรนะแต่มั น, มนก็อาจจะสำคัญกับความวเบื่อแต่ความเบื่อในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดีที่เราเบื่อเรื่องการปฏิบัตนะิไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะเบื่อเพราะบีชีวิตของเรามันคุ้นชินในการที่ ม, มีมีอะไรทําหลายๆอย่างหรือว่าเราไปเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างคําว่าเบื่อนั่คือที่เราอาจจะอยู่กับตัวเองแล้วหยู่ กับตัวเองคนเดียวหรืออยู่กั บ, บวีดีโอเดิมๆแล้วมันก็นเลยเกิดความเบืเอ่เอเบื่อในการที่ต้องทําำแบบซ้ำๆเบื่อในการที่อยู่กับตัวเองอยู่กับบางทีพอเราเบื่อเราเลยใช้ต่างอื่นเพื่อไปแก้ไปทำอย่างอื่นให้มันหนายเบื่อไปคุยกับคนอื่นให้มันหนายเบื่ออะไรแบบนะี้ยมันก็อาจจะทําให้เราออกจากความเบื่อได้ มันก็ออกเป็นควมามมั่วล้ว่าสังเกตไหมแล้วนั่นเลยนีอาการเจ็บม่วนะออกไปเดินเข้าห้องน้ำก็ม่วไหมไม่มัมวนะ่วละตอนม่วงมันจริงไหมจริงไหมไม่จริงนะ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนม่วงมันก็รู้สึกว่าจริงนะ <c oughs> จริงมันก็นหนักนะแหละแต่มัน มายว่ามันเพียงแค่ชวนนะวนให้เราให้เราอยู่กับมันหรือให้เราพักไปกับมันแต่จริงถ้ามันของจริงนะออกไปเดินมก็ต้องง่วงไปทำอื่นมันก็จะเป็นต้องง่วงเนี่ยถ้ามันง่วงจริงนั้นครูบาอาจารย์ก็เลยให้เรารู้สึกแย่อย่างเช่นความง่วงง่วงก็เกิดจากร่างกายเช่นร่างกายไม่สบายหรือร่างกายต้องการพักผ่อนจนกระง่วงเพราะว่าความเหนื่อย ที่เกือในการที่อยู่กับอารมณ์ตรงนี้นะหรือว่ามันพอทำอะไรซ้ำๆมันก็เลยเกิดความง่วงขึ้นมาในใจแยกให้มอนได้ถ้าเป็นความง่วงอย่างนรังอะอย่างที่มาว่าตีเราก็ต้องหาอุบายในการที่ให้มันปลุกสติเราให้มันตื่นมาไม่ใช่ว่าทำให้มันหายง่วงนะแต่ทำให้มันอุบายในการปลุกให้มันตื่นขึ้นมา มีตัวหนึ่งรั่วงมีตัวหนึ่งมันตื่นมีตันึ่งมันง่วงมีตัวนึงมันตื่นนะตลาดตรงนีฮะตลาดไปเรื่อยๆ่านั่งตัวตัวตัวสื่อมันมันมากขึ้นตัวม่วงมันก็ลดลงไปบางทีคล้ายๆเหมือนเหมือนความมืดสุดต่อสว่างนะแข่งกันแข่งกันไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไรียก่ความมืดแต่เราต่อสร้างความสว่างขึ้นเหมือนจุดเตี้ยนหลายๆเรื่ะในห้องนี้ก็ก็สว่างได้นี่คอ นะไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเราเพียแค่ส้างสติของเราแล้วพอเราเห็นไปเรืเ่อยมันจะทําให้เราอยู่กับความม่วงได้เราอยู่ความม่วงได้มันจะเป็นคล้ายๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาํานะเมื่อเราอยู่เมื่อเราปวดเมื่อเราเจ็บแต่ก็อยู่ความเจ็บความปวดได้เมื่อเราไม่สบายมากๆเราก็อยู่กับมันได้นะไม่ใช่ว่ามันต้องหาย เราถึงจะเราถึงจะสบายาถึงจะไม่ฟุ้งแต่พอเราฝึกในการที่วางใจจบง่วง อ, อยู่กับความปวดอยู่กับความเจ็บเธดใช่พอเราป่วยมากๆแกเรก็สามสารถอยู่กับมันได้นี่คือมาเป็นมาว่าที่บางทีเราปฏิบัติทำมันไม่สบายจังหวะแต่เราจะเจอสภาวะที่มันไม่สบายเนี่ยความง่วงความฟุง้งความปวดความเมื่อยเนี่ย เราจะอยู่ประมันบ่อยๆเป็นตั้งเราจะรู้จักว่าวางใจแบบไหนแม้มันยัง่ยง่วอยู่แม้มันยัง่ปวดอยู่แต่เราไม่ทุกข์มากหรือว่าก็อยู่กับมานได้สบายๆพอวันหนึ่งที่เราป่วยมากๆมันก็วางใจได้เลยยังมาไปเยี่ยมคนป่วยหลายคนโอ๊ยิ่งค่าแบบป่วยหนักๆเนาะเจาะคอหรือว่าต้องคนต้องผ่าตอดสมองเลยนะ บางคนเห็นแล้วยิ่งน้าสงสารนะแบบเขาเรียกว่าแบบล็อกศีรษะมีเด็กล็อกดึงไว้ดึงคอไว้อยู่เป็นสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนอนคอตรงอย่างงี้ะโดนล็นอกนะ อ, อย่างเงี้ย อ, อ, นะอื ม, อมแต่มาแลาวามันก็ถ้าคนเคยตื่มันก็อาจี่คออยู่ได้อย่างไม่ทุกข์มากแต่ถ้าคนไม่เคยตื่นพอไปเจอสภาวะพวกนี้มันก็ มันก็จะทุ่งมากมแล้วก็ถ้าทุ่งมากแล้วตื่นได้ไหมก็ได้นะแต่อาจจะไม่รู้จะได้ผลมากหรือน้อยไม่เหมือนทุกคนที่ที่มีพื้นฐานก่อนจะเห็นแห ล, ละเวลาไปเยี่ยมันป่วยถ้าคนที่มีพื้นฐานเข้าวัดปฏิบัติธรรมม า, ททาก่อนใบหน้าหรือจิตใจนี้ก็จะจะจะดีกว่าคนที่แบบไม่เคยไม่เคยเสนใจคนนี้หรือว่า อาจจะสนใจแค่ทำบุญแต่ไม่เคยสนใจภาวนาพอพอป่วยมากๆมันก็เหมือนก็จะอยู่กับความกังวลกับความกลัวยกับความอยากจะาหายอะไรนั้นพอไปอยู่คนนั้นก็เลยทุกก็เลยเครียดแต่บางคนที่เขาเข้าใจรู้คนนี้พอสมควรพอถึงค่าวเลยเป็นจริงก็ก็คล้ายๆจะไม่ทุกข์มากอะไระมันจะเห็นในตอนตากาแล้วก็ก็เกิดเหตการที่อยู่กับ อาการที่เราได้ปฏิบัติเลยเนะี่ยอย่างเมื่มาได้ดูแด่หลวงพ่อนะหลวงพ่อจะพูดบ่อยๆว่าคือพูดในวันที่ท่านป่วยหนักนะเช่นเช่นเป็นมะเร็งหอเปล่ประสบการณ์ที่อยู่กับหลวงพ่อเทียนตั้งแต่สี่สิกว่าปีก่อนมนะู้นน่ะคือวันนี้ของหลวงพ่อไปแจ้งว่าคือประสบการณ์ที่ตื่นกับหลวงพ่อเทียนเมื่อไ่ตอนนั้นแนหะ คือเอามาใช้วันนี้คือที่จริงก็เพราะว่าได้ฝึกอยู่กับความห่วงอยู่ความฟุ้งอยู่ความเมืยตั้งแต่ตอนตื่นแดพอถึงเช้าแล้วเนี่ยคือมันเอามาใช้ได้เลยไม่ใช่มาฝึกใหม่น่ะไม่ใช่มาฝึกใหม่คือพ่อเคยทํามาแล้วผ่านมาแล้วอยู่นี่ก็อยู่ได้เลยไม่ใช่ว่าฝึกใหม่หลวงพ่อบอกก็ประสบการณ์สี่ก่าปีที่อยู่หลวพ่อเทียนน่ะก็คือบานนี้ของหลวงพ่อมัน เอาเอามาใช้ได้เลยไม่ใช่ว่ามามามาฝึกใหม่ถ้าฝึกใหมก่ก็ต้องอ่ะแลแต่บารมีแต่ละคนนะ <c oughs> บารมีหม่ยถึงว่าการสะสมการสะสมถ้าบางคนมีความเพียรอย่างเช่นอาจารย์กำพะมีความเพียรนอนตัวเยอะก็มีความเพียรทําแบบตอนนื่อนงะ ม่วงก็ทําเรือก็ทาอย่างนี้มีความเทียมก็ก็ก็เกิดผลได้เร็วขึ้นนะมีใครจะได้เปลี่ยนหรือจะถามก็ก็เจอละใหม่ใหม่ก็ทำไมเย็นนะมีทำไมอะไรเพื่อให้เขาใจเบื้องต้นแต่ก่อนเพื่อจะได้เขาไปปฏิบัติต่อ มีนะคนใหม่ใหม่ก็ดีคนกับขาวก็กกดีงยนยอมพิกาไม่ควรจะกลับไปก่อนนะปฏิบัติสักวัปฏิชูมาจะเอาแบบไหนเอาแบบดีที่สุดหรือว่าเอาแบบพอประมาณแบบพอพอเห็นความก้าวหน้าบ้าง <c oughs> ถ้าพอเห็นความก้าวหน้านะก็ อยากใหแ บ, บ่งเวลาเพิมหน่อยช่วงไหนที่ว่าง mm. ก็ทําในรูปแบบบ้างตอนเชา้าตอนเย็นสิบห้านาทีอะไรแบบนี้ก็ได้เชาสบห้านาทีเย็นสิบห้านาทีก็ได้ถ้าเดีถ๋ถ้ามีเวลามากกวนะ่านัา้นก็ยิ่งโอกาสที่จะเห็นความก้าวหน้าก็จะคือทําให้เป็นประจำแล้วอันนี้คือทําในรูปแบบเช้าเช้าแล้วก็วเย็นบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งโยกก็ พยายามปฏิบัติในในเรื่อยในกิจวัตรที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากอย่างเช่นกินข้าวอาบนะ้ำหรือว่าเดินอ่ไร น, นะพยายามเอาสติใส่เข้าไปรับรู้ในการเคลื่อนไหวในการจัดทำเรื่อยมันก็จะได้หนึ่งแล้ก็ได้รูปแบบที่เราปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นที่ยังมันก็จะาสติไปใช้ในารทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดกิจวัตรที่ไม่ต้องใช้ความคิดมาก ถ้าทําแบบนี <t festivals> ้ได้มาว่าบ <t> ันหนึ <t> ่งเดียได้หล่าเชิงงงแล้วถ้าทํานี้บ่อยๆต่อไปเราไปทํำกิเลสอาจมะน้อยสมาิมันก็จะก้าวฟิได้ได้บ่อยขึ้นแล้วพอคราวนี้เมื่อมันเกิดการกระทบกับอารมณ์ที่อาจจะเช่นไม่ชอบใจเยือต่างๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะว่าเราคล้ายๆจะเห็นขึ้นหรือว่า มันโกรธน้อยลงประมาณนั้นมันจะเห็นอันนี้ก็จะบอกไม่ได้นะว่าว่าต้องอีกนานเท่าไหร่แต่ถ้าทำาบบนี้บ่อยๆมาว่าจะเห็นหลายคนก็เห็นคนจากบางที่ปฏิบัติหยุดที่วัดหรือว่าไปเข้าคอร์สบางทีอาจจะไม่ค่อยเห็นคนอยู่บางทีมันเดี๋ยวก็เจอความน่วงเดี๋ยก็เจอความฟุงเดี๋ยวก็เจอนั่นเจอนี่แต่พอ พอมากระ็บกับอาลมณ์ที่เคยเคยกระทบเรื่อมันกระเทือนเคยเป็นผู้หรือว่าเคยไม่พอใจกับมันพอมันมากระทบข้างใหม่มันจะสังเกตได้เลยว่าตัวเองมันมันนิ่งขึ้นหรือว่ามันมันกระเทือนน้อยลงนะมันจะมันจะมั่นใจผลจากตรงนี้นะไม่ใช่ว่าคําพูดของครูบาอาจารย์อันนี้เป็นส่วนตัวนะตอนมาปฏิบัติใหม่ใหม่ก็ มันก็เจอเราทค้าโยมแหละอยู่ที่วัดมันก็ไม่มีอะไรมากเนาแต่พอออกมาข้างนอกมันเห็นว่าเออตัวที่มันเดินตัวตัวเราน่ะโดยสมติที่มันเดินแล้วมันก็มีอะไรกระทบยันเนี้ยแต่ก่อนฟองกระโปรงเราก็ไหลเยประมาณด้วยแตไประมานแต่พอมันรู้สึกเลยว่ามันเหมือนกัะทบแล้วมันมันไม่ไปมันมีคนด wow. <bros> ึงแต่มันไม่ไป่ะค มันมีคนดึงไปแต่เราไม่ไปมันมันรู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยอ๋อสติมันมันดีแบบนี้เนาะแต่ก่อนมันมีอะไรดึงแล้วก็จะไปแหละแต่พอรู้สึกมันดึงมันมันไม่ไปหรือบางทีก็ไปนะไปแล้วก็กลับมาได้เันก็เลยเห็นเห็นความเรีว่าความเปลี่ยนแปลงของตัวเองต้องต้องพิสูจน์แล้วนะเด็กที่ ลองทำดูมาว่าไม่น่ายะเกินเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลนะถ้าทำเป็นประจำนะกับกิจวัตรต่างๆที่ที่เราทำผนเห็นมีอะไรบ้ง ว่าทําไมเพื่อนเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือ ต, ตัวเองหมายถึงว่าเขาแทนที่จะแบบเพื่อนแผนที่จะพ้นตัวเองว่าวเป็นองไม่เข้าใจตรงนั้นยังไงกลับกลายาเป็นว่าเพื่อนโยนมาให้เลยบอกว่าอ่ะเนี้ยต่อให้ทีไม่เข้าใจประมาณเนี้ยได้อีกกรณีเป็นกรณีที่แบบเขาเอาอุปกรณ์การเรียนไปที่โรงเรียนแล้ว คือเขาจะระเบียบเอาไปทุกวันแล้วคุณครูเนี่ยเวลาที่ครูถามหาเรียกใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยเพื่อนก็มักจะมาข อ, อยืมจนเขามีควารู้สึกว่าเขาให้คือเขามีความที่อยู่ในใจค่ะพราเขาจะเป็นผู้ให้แต่แล้ววันนี้เขารู้สึกว่ า, าการให้ของเขาเนี่ยมันไม่จบสิน้นเหมือนกับเพื่อนก็นไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองที่จะที่จะแบบ เราก็เลยสอนไม่รู้จะบอกรูกยังไงเพราะว่าก็เออให้ไม่ไม่ีที่สิ้นสุดแต่ว่าอย่างยากก็เลยมีแบบเนี้มันก็จะแบบเพื่อนก็ไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อนก็จะถ้าไม่ให้เพื่อนก็จะว่าอย่างนี้เราคนสอนรูกยังไงคะว่าให้แค่ไหนมันต้องไม่มีที่สิ้นสุดไหม เคยเคยมีคนที่ชอบให้เพื่อนอันนี้เขาเลาให้ฟังนะให้ชอเทำอตไรให้ตัวอื่นเราวเขาก็สรุปว่าตอนหนาแนกลายเป็นหนึ่งกขาตามะไรไม่ค่อยเป็นแต่ตอนนั้นคือแต่เขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นปุกที่ที่ชอบทำใง้คนอื่นนะแต่ก็ชอบทำให้คนอื่น ทำทุกอย่างนะมือถึงอาสาทําให้เพื่อนจนเจนตอนหลังเพื่อนก็นทําอะไรไม่ค่อยเป็น <c oughs> เขาก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกที่ตัวเองก็มาถึงตอ น, น, นหลังพฤษภาคมแล้วก็รู้สึกก็ไม่ค่อยดีในกันที่ตัเองทํามากเกินไปจนท่านเพื่อนไม่ได้ทําอะไรแต่นั้นเขาถูกเขาทำด้วยความคืออยากจะทํานะอยากจะทาแล้วก็ให้แบบ แบ่ไม่มีที่ซึ่งสุดซึ่งผลดีก็คืออะไรผลดีก็คือเพื่อนรักอย่างที่สองก็คือตัวเองก็ไดทําอะไรเก่งแต่เพื่อนก็ไม่เคยเก่ง อ, อันนี้คือผลดีมันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียแต่ตอนหลังเขาตอนหลังมันแต่มาว่าที่โดยชีวิตจริงๆตัวเพื่อนเองมันก็ไม่อยู่ตลอดพอถึงจุดหนึ่งพอเขาไม่อยู่กับเพื่อนเพื่อนเองก็ค่อ กนมาฝึกเรียนรู้ในการทําทําเองนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเพราะมีเราก็าจเป็นแบบนั้นหรือไม่มีเราเขาจะเป็นแบบนั้นแต่มาว่ามันก็มันก็มีทั้งผดี้ก็คุณเสียแต่ส่วนหนึ่งมาว่าเราก็อาจจะสามารถทำให้ไปด้วยในระดับหนึ่งแล้วก็สอนขึ้นไปด้วยคือไม่ใช่ไม่ใช่ทําให้ตลอดแต่ส่วนหนึ่งว่า ก็ไกด์หรือแนะเขาว่าสิ่งนี้เขาควรจะทำคืออะไรปด้วยแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่าคือต้องวางใจว่าเพื่อนเขาจะทํำอย่างที่เราแนะนําหรือเปล่าหรือเช่นเรานให้เราเคยให้ติดตอนนี้เราเคยเราให้แค่ห้าแล้วเขาไม่พอใจเนี่เราต้องแนะนํารูกรูปของเราว่าให้ดูใจให้สังเกตใจตัวเองเช่น เวลาเพื่อนไม่พอใจให้กลับมาตรงนี้แล้วก็ อ, อีกส่วนหนึ่งถ้าเราแนะนําเพื่อนได้ก็ให้แนะนําเพื่อนบ้างแค่เนี้ยแต่มันจะไม่ได้ผลแล้วก็มายถึงว่าไม่มีอะไรที่มันจะบอกว่าไม่ไควรทำโปรเกต์นะ แ, แต่มาว่าถ้าเราทาําอำแบบนีน้เราจะรู้สึกคล้ายรู้สึกดีกับเองอย่างในจุดหนึ่งเราก็ไม่ได้ว่าปล่อยปละและเลยไม่ให้เพื่อนเราก็ให้สิ่งของ เท่าที่เรเห็นว่าจำเป็นอนะึแล้วอย่างที่สองเราก็ได้ให้เรียกว่ า, าเป็นความรู้นะเหมือนเป็นสิ่ที่ควรทําอย่างนึแล้อย่างที่สามคือมีอะไรมากระทบเราก็เราก็ดูเหนือนในการฝึกใจมันทึกในการดูใจตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรเวลาเพื่อพูดแบบนี้อะนัมาว่านะมันก็เป็นการเรียนรู้เรียนรู้ ตัวเองผ่านการเป็นผู้ให้ไปร้วยก็ต้องหลอกใจลูกหรือว่าเขาจะทําได้ขนานไหนหมายว่ทาทําได้แบบนี้นะใครจะว่าใครจะอะไรเราต้องไม่ยุ่งลกมากมันคือมันมาตรงที่ว่าลูก ร, รู้สึกทุกกับการให้ <c oughs> เราก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าก็คิดกันว่าให้โดยที่แบบเพื่อนก็ไม่ได้รู้สึกอะไ ร, รกับการที่จะต้องช่วยเหลือตัวเอง หอ่ากรยืมของ่ให้ให้ให้ยืมของเน่เขาเาบอกอีกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนพูดเอง ไม่ว่าเป็นคนไม่ดีในแต่แต่ในลักะแต่เราก็รู้ตัวเองว่าเช่นเราไม่ให้เพื่อให้เขาได้ให้ขึ้นตัวเองก็ก็ให้ดูเข้าใจตรงนี้ว่าเราไม่ใช่ว่าไม่รักหลือวไม่อะไรนะแต่เรารักด้วยด้วยการอ่าไม่ได้ช่วยเหลือมากเหมือนแต่ก่อนมาแล้วก็เป็นถ้าถ้าลูกเขาต่ออตกลงว่าเราก็จะรักเพื่อนอยู่จะพิมพว่าการแสดงความรักของของเราต่อเพื่อน โดยวิธีที่อยากให้เขาได้ตื่นขึ้นเองมากขึ้นนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งนะถ้าเพื่อนต้องการทำอธิบายแล้วก็เราก็ค่อยอธิบายเลยนะมาว่าก็แต่ก็อย่างว่าแหละมันก็ดูเองต้องวางใจดีๆเพราะในงานเขาก็จะสับสนว่าเดี๋ยวเพื่อนต้องมีรักเดียวหน้านี่ใช่สำคัญตรงนี้ค่ะใช่คือเราต้องถ้าเด็กต้องมั่นใจว่าเรารักเพื่อนเนี่ยนะเราให้เพื่อน แต่แต่ก่อนเราให้สิ่งของแต่ตอนนี้เราให้คล้ใช้เหมือนเป็นเบทเรียนหรือเป็นติ่ที่แต่ะทนนี้เขาเติโดโตขึ้นนะต้องให้ลูกเข้าใจว่าเราก็ให้แต่ให้ในในแบบนี้แล้วก็แต่ก็ต้องเปิดใจรับว่าผลกระทบที่มันจะเกิดมาเพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีในการให้มันก็ต้องมีแน่นอนก็ต้องให้เขาฝึกวางใจอยนะ่างนี้ เหมือนเหมือนโยงใช่ไหมเวลาเรามีรูปบางทีเราก็บางทีเราก็ไม่ต้องไม่ตามใจรูปใช่ไหมมันต้องเราก็มีจุดหมายนะว่าทําไมเราไม่ตามใจทั้งหมดว่าเราอยากให้เขาพึ่งตนเองให้เขาทำเองใช่ไหมถ้าเรามีเป้าหมายเราก็เราก็สามารถที่จะบามแม้บางทีรูปก็ทำไมแม่ไม่รักทำไมแม่ไม่ให้ใช่ไหมมันก็มาแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้ตรงนี้แ่ะต่อไปจะาเขาเป็นแม่เราจะได้ หรือจกในการที่ที่อะไรมัาเป็นการสอนเป็นการสอนวิธีหนึ่งนะแต่จะต้องวามใจดีๆแต่มันมีอีกที่หนึ่งนะแต่นั้นก็ชอบให้เป็นของแบบมหายาณเป็นโมดิที่ที่เขาชอบชอบให้คนอื่นมาก แต่เขาก็ใช้วิธีหนึ่งให้แล้วก็พยายามลดตัวตนผู้ให้เวลาเขาเป็ให้กินของให้ใครคนอื่นเขาก็จะขอบคุณคนที่รับเพราะเพรามันคือบางทีเราจะรู้สึกเว่าเราให้เ่าจะรู้สึกตัวตนความเป็นผู้ให้มันจะมันจะสูงกวคนคนรับแต่เขาพยายามให้เรามองหน้าที่จริงคือเราอะ ที่จริงเราทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับใช่ไหมคือเราจะเป็นคนให้สิ่งขอแต่็นเขาเป็นคนให้โอกาสเราในการที่ที่เราได้ได้ให้นะ่ะมันเหมือนเวลาไปให้อะไรใครแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ให้เพราะจริงคือเราก็ได้รับอย่างเขา <c oughs> ได้รับโอกาสในการที่เราได้บริจาคได้เอาร่างเจ้าคนที่นะทำน่ะมันคนนี้ก็มีความสุขในการที่ให้ เกิดมันก็รู้สึกขอกคุณเขาไปด้วยแล้วก็รู้สึกตัวตนมันไม่ใหญ่เพราะบางทีผู้ให้เกิดใหญ่บางทีจะมีตัวตนที่เราดีกว่าเราสูงกว่าเนี่ยมันต้องก็ต้องเราแบบถ้าเราเรียนรู้ในการฝึกธรรมะการให้ไปด้วยแล้วก็การละตัวตนตัวนี้การมีมั่นถือมั่มนนวิด้วยมันก็จะมันก็จะดีมากเป็นเลิศถ้าท่านนี้เด็กก็อาจจะ อาจจะทำยาอะไรเงี้ยมุมที่ีนะคะเ ด, ดี๋ยวว่าจะไปคุย มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นอะไที่ตายตัวแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากว่าเราฝึกในการเรียนรู้เรียนรู้ความรู้สึกหรือเรียนรู้ให้เราได้เห็นเหตุที่มันเกิดขึ้นในการีใจของเราบ่อยๆในแต่ละวันใน้ดูหนังสือเล่มหนึ่งแต่ยังไม่อ่านละเอียมีพยาบาลเขาเขาทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยแบบ ปรคับระคองเ น, นะก็ก็ใส่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้หลักธรรมะมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเขาเขาใช้กรว่าเขียนบันทึกบันทึกฝึกหัดใจคือคือบันทึกฝึกหัดใจเจออะไรเจอแต่ละวันที่เช่นปดูแลผู้ป่วย หรือว่าต้องทำงานกับหมอพยาบาลหรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับญาตผู้ป่วยคือมันไม่ใช่ปีกแห้แก้บันทึกการทำงานแต่เป็นการทํางานแล้วมันการที่ดูแลคนป่วยก็ดีหรือว่าเกี่ยวข้องกับหมอพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยก็ดีมันเป็นการสึกใจตัวเองอย่างไารมาแล้วน่าสนใจมากที่เขาใส่การทํางานที่เขาเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงานนั่นแล้วก็เป็นการกลับมาบันทึกดู ดูสิีเกิดขึ้นในกายในใจของตัวเองนมันก็มาว่าถ้าเราเอาเหมือนในคะันเนี่ยเอาสิ่งที่เราได้เจอในแต่ละวันมามาเป็นตัวบันทึกดูตรวจสอบดูมันทึกในที่อะไรอะเขียนบ้างก็ได้หรือไม่เขียนก็ไดนะ้แต่นะจะบอกย่างนี้ว่าเป็นการควบคุมดู ว, ว่าในแต่ละวันมันเจอสภาวะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในในใจในกายบ้างแล้วก็วเรา เรามีท่าทีในการที่แบบรับมันหรือว่าก็แค่เรียนรู้มันมันก็ผ่านไปได้นะมันก็จะเป็นทําให้จิตใจของเราเติบโตขึ้นเพราะก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกดีที่แต่ก่อนทํา ง, งานแล้วมันมั น, มนพลุกมันเหนื่อยนะแต่ทํางานที่นันที่ต้องดูแลคนอื่นแล้วก็เจอสภาว่าที่ร้อนเคร่เครียดหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอทำงานเอาถนัดไปใช้ รู้สึกว่ามันเหมือนการทํางานก็คือการเหมือนฝึกผัดจิตใจของตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันแต่ละเคสแต่ละกรณีก็เหมนเป็นการฝึกผัดจิตใจตัวเองอยู่เสมอนะมันหมายว่าพอทำงานเนี้ยมันมีเป้าหมายคือเป้าหมายไม่ใช่ว่าเราต้องให้งานดีอย่างเดียวนะอันนั้นก็ทําให้มันดีแล้วดีที่สุดแหละแต่คือนอกจากเป้าหมายให้งานมันสาเร็จ แต่เป้าหมายอย่างนึ่ที่เราได้นี่แน่ใจใจเราเกิดการพัฒนาขึ้นให้ฝุกใจตัวเองมากขึ้นผ่านผ่านหลายๆบทเรียนมาว่านัในในงานเองมันก็เป็นการฝึกใจของเราแต่แต่แต่ละงานอาจจะรูปแบบแตกต่างกันแต่ถ้าเราวางไปตรงนี้ได้มาว่าเราจะมีความเราจะมีความความสุขหรือว่าเป็นความสนุกในการฝึกตนเองนะ ในในการทํางานก็ดีในครอบคอรบัวก็ดีหรือในกิจวัตรประจําวันที่เราเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ดีเราก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากขึ้นมาว่านี่นคือคือธรรมะของจริงขึ้นขึ่นบางทีก็คือรอบตัวเราเนี่ยแหละเขาสอนธรรมะาบบนั้น <c oughs> นักต่อปากไว้